เมื่อเช้ามืดตอนทำวัดนะฝนก็เทลงมาฝนตกดังๆแบบเมื่อเช้านี่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะในระยะหลังในพรรษานี้ก็ดูเหมือนจะเพิ่งเป็นอย่างนี้นะ่ยก็เป็นครั้งแรกนี่แหละแต่เป็นเมื่อก่อนนี่ฝนก็จะเทลงมาอค่อคนข้างบ่อยนะตกมาหนักและตกมาทีไรนะก็ ถ้าเป็นตอนเช้าเช้านี่คนในวัดก็อก็มีเรื่องที่ต้องผจนภัยกันนะเพราะว่าเวลาจะข้ามไปสารา น, น่าเนี่ยน้ำในบอ่อน้ำในสามก็จะท่วมจนท่วมสะพานพอก่อนเนี่ยสะพานจะเตี้ยนะขอบสระไม่สูงเท่าปัจจุบันฝนตกเทรลไม่ แค่ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยน้นยาในสักจะขึ้นมาเร็วเพราะว่ามันระบายมาจากทางอื่นด้วยจากข้างข้างบนเวลาข้ามสะพานก็ก็ต้องระวังนะเพราะว่าน้ํานี่มันก็ท่วมบางทีท่วมเลยเลยข่าวไปซะอีกนะเดินก็ต้องระวังเพราะว่าอาจจะพลัดตกลงพลัดตกจากสะพานก็ได้ไม้ที่อ่า วางเป็นสะพานก็ไม่ได้แน่นหนาเท่าไหร่บางทีไม้ก็ลอยนะเกิดเป็นร่องขึ้นมาถ้าเดินไม่มีสติก็จมลงไปเลยนะแต่ว่าที่ประจ ol ภัยยิ่งกว่านั้นคือตอนออกไปบินธบาศสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีทางยังไม่มีสะพานปูนนะที่อยู่หน้าวัดเนี่ยทางเส้นนี้ยังไม่มี เวลาจะไปบินธ บ, บารก็ต้องเดินออกจากหน้าว่าก็เลี้ยวซ้ายนะแต่ไปยังไม่ถึงหมู่บ้านก็เลี้ยวขวาเดินลงไปยังลำปะทาวไม่มีสะพานปูนนะนะมันก็มีอย่างมากก็ขอนไม้สมัยก่อนนี่ไม้ต้นใหญ่ๆก็มีอยู่ไม่ขาดเราก็ใช้วิธีไต่นะ ไต่ไปตามขอนไม้ใหญ่นั้นซึ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแรงก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอช่วงหน้าฝนแล้วก็ฝนตกหนักๆเนี่ยถึงแม้มันจะหยุดไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเพิ่งตกน้ำจะเชี่ยวน้ำจะแรงเดินข้ามอ่เดินข้า ม, ะามสะพานที่เป็นต่อไม้ ไ, ไม่ใช่ขอนไม้เนี่ยก็ต้องยิ่งระมัดระวังมาก คนน้ำมีเชี่ยบางทีก็อาจจะถ้าเดินไม่ดีพลัดนะลื่นก็อาจจะโดนน้ําสาดออกน้ําพัดออกไปเลยก็เป็นความตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนะของอาชาววัดซึ่งก็จะว่าไปมันก็เป็นการฝึกสติอย่างดีนะสมัยนี้เนี่ยไม่มีแบบนี้แล้วนะเพราะว่าสะพานอ่า ที่ข้ามไปสาราหน้านี่มันสูงอีกทั้งสะพานที่จะข้ามไปข้ามลำบัติทาวเดี๋ยวนี้ก็เป็นสะพานปูนก็ไม่มีการไประจนภัยกับน้ำเชี่ยวแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์แบบนั้นแล้วนะผู้คนส่วนใหญ่นะก็ยังหนีไม่พ้นกับการที่ต้องเจอกับกระสายน้ำเชี่ยวภายในกระสายน้ำเชี่ยวภายนอกเนี่ย มันก็มีเป็นฤดูนะก็คือฤดูฝนแล้วก็ฤดูฝนนี่ก็เป็นบางวันวันไหนฝนตกหนักอตอนเช้าก็เจอน้ำเชี่ยวกันตอนตอนบินทบาทแต่ว่ากระแสที่มันเชี่ยวหลายภายในนี่มันไม่มีเปล่าเวลานะมันไม่มีฤดูกานแล้ววันหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งก็ได้ กระแสที่ไหลเชื่อภายในเนี่ยก็หมายถึงกระแสอารมณ์นะอารมณ์เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นนะในใจเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้คนก็มักจะถูกกระแสอารมณ์เนี่ยมันพัดพาไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เล็กอารมณ์น้อยเนะีย๋ยหว่าแต่อารมณ์เลยนะแม้กระทั่งกระแสความคิดเนี่ยความคิดที่มันเบากว่าอารมณ์เยอะนะ พอมีกระแสความคิดเกิดขึ้นนะมันก็พัดนะพัดใจของเราไปไปจนกว่าจะหมดแรงของกระแสความคิดนั้นเราสังเกตไหมนะเวลาเราอยู่ที่นี่เนี่ยนะไม่ว่าจะระหว่างที่เดินจงกรมสร้างจังหวะมือก็ยกไปหรือเท้าก็เดินไปแต่ใจมันไปแล้วมันไปตามความคิดถูกความคิดพัดไป จบเรื่องนั้นก็ต่อเรื่องโน้นต่อเรื่องโน้นก็ต่อพอจบเรื่องโน้นก็ต่ออีกเรื่องหนึ่งกว่าจะหมดกระแสความคิดนะก็คิดไปแล้วหลายเรื่องบางทีเจ็ดปดเรื่องถึงค่อยมารู้ตัวว่าอนี่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะอนนี้เรากำลังเดินจงกลมนะไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะเวลากินข้าวก็เหมือนกันนะ ปากก็เคี้ยวไปในะแต่ใจเนี่ยมันไหลไปตามกระแสความคิดแล้วนะคิดไปถึงเรื่องงานคิดถึงลูกคิดถึงคนรักนะีคิดถึงอาหารที่ถูกปากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับใจของเราไม่ว่าฤดูไหนนะเกิดขึ้นเวนละหลายครั้งและส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยสังเกตนะ เพราะว่าทําอย่างนี้เป็นเป็นอาจินละก็คือการปล่อยใจลอยไปเรื่อยๆตัวอยู่นี่แต่ใจไม่รู้ไปไหนแล้วและที่มันแย่คือว่าถ้ามันเป็นกระแสอารมณ์และเป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลเช่นความโกรธความเศร้าความเกลียดความอยากความโลภนะความรู้สึกผิดเนี่ยมันก็พาเราไปเจออะไรต่ออะไรมากมายเหมือนกับว่าเวลาเรา เดินเจอน้ำเชี่ยวถ้ามันเชี่ยวมากๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่พัดเราไปอาลอยไปเรื่อยๆนะบางทีก็ไปชนกับหินบ้างไปชนกับอตอไม้บ้างนะก็เจ็บตัวเนะี่ยกระแสะอารมณ์นี่มันพาใจเราไปเจอความทุกข์มากมายที่มันทำอย่างนั้นได้ก็เพราะว่าเราไม่มีหลักยึดนะ เหมือนกับเราเดินข้ามสะพานเนี่ยถ้าสะพานเนี่ยแม้ว่ามันจะมีน้ำท่วมนะแต่ว่าถ้าเรามีสติเราเดินอย่างช้าๆเท้าเราปักแน่นอยู่กับพื้นนะจะเป็นพื้นไม้หรือว่าพื้นดินก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังพอที่จะเดินผ่านจนหลุดไปจากกระแสน้ำนั้นได้แต่ถ้าเราไม่มีหลักนะไม่มีแม้กระทั่งไม้ที่จะที่จะช่วยยึดเอาไว้หรือไม่มีราวนะ ก็ลอยไปได้ง่ายนะกระแสน้ำที่ไม่ค่อยไหลแรงก็ยังลอยไปนะสังเกตว่าเราความคิดเนี่ยแม้จะเป็นความคิดเล็กๆ น, น้อยๆแล้วก็ไปนะอาจจะคิดเกี่ยวกับเรื่องผ้าหม่มคิดเกี่ยวเรื่องที่นอนนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะก็คิดไปเลยมือก็ยกไปเท้าก็เดินไปนะแต่ว่าใจไม่รู้ไปไหน คนเราเนี่ยปล่อยใจไปตามกระแสความคิดและอารมณ์เนี่ยเรียกว่าตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้แล้วมันก็พาเราไปเจอความทุกขนะ์เจอทุกขเวทนานะในท่ามกลางกระแสอารมณ์พอเราเริ่มเห็นโทษของมันนะว่าตามกระแสตามอารมณ์ไปตามความคิดไปนี้ไม่ไหวนะแต่ว่าเราก็จะหันไปใช้วิธีต้านมัน จะต้านมันจะสู้กับมันก็มักจะสู้ไม่ไหวแล้วก็มักจะเหนื่อยนะเพราะว่าการสู้การต้านกับกระแสนี่ไม่ว่ากระแสนา้าหรือกระแสอารมณ์เนี่ยมันเหนื่อยเราลองสังเกตดูเหมือนกันนะเวลาเราคิดฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วเราพยายามจะห้ามมันพยายามจะต้านมันเวลามีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นความกวดเราพยายามต้านมันพยายามกดข่มมันนะเราเหนื่อยนะ และอาการเหนื่อยอาการเครียดอาการล้าเนี่ยก็สามารถจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้ ท, ไทําไปสักสองสมวันเนี่ยก็จะเริ่มปวดหัวจะเริ่มเครียดจะเริ่มแน่นหน้าอกนะเพราะว่าหลายคนพยายามที่จะต้านต้านความคิดต้านอารมณ์แต่ก่อนเนี่ยเขปล่อยใจลอยไปตามอารมณ์ไปตามความคิดทําจนเป็นนิสัยนะแต่ว่าก็จะเริ่มนะ หันมาต้านกับมันตามนี่ก็ไม่ไหวนะตามก็ไม่ถูกตานี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีมันได้ผลชั่วคราวใช่เวลาเราโกโรธเราพยายามกดข่มความโกรธไว้มันก็ได้ผลชั่วคราวแล้วก็อาจจะมีประโยชน์เฉพาะเฉพาะหน้าช่วยทำให้เราไม่พูดไม่ทำอะไรที่จะต้องเสียใจในภายหลัง หรือว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เราก็จะรู้สึกเหนื่อยมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะก็เหมือนกับว่าน้ำเชี่ยวเนี่ยเรารู้ว่าตามปล่อยถ้าลงไปให้น้ำมันพัดไปก็ไม่ไหวจะตามมันก็สู้แรงมันไม่ได้เราก็ใช้สะพานนะการที่เราเดินอยู่เหนือน้ำเชี่ยวเนี่ยมันเป็นวิธีที่ปลอดภัย การที่เราจะอยู่เหนือกระแสอารมณ์กระแสความคิดเนี่ยก็ทําได้นะสิ่งที่ช่วยทำให้มันเป็นไปได้คือสตินะสติเนี่มันช่วยดึงจิตของเราออกมาจากกระแสอารมณ์นั้นนะมันเป็นเคล็ดลับก็ว่าได้นะหลายคนเนี่ยก็คิดแต่ว่าเออในเมื่อตามมันไปไม่ไหวต่อยให้มันพัดพาไปไม่ดีก็คิดแต่จะต้าน แต่ก็ในสึกก็จะพบว่าต้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลนะไปกดข่มความคิดไว้ไปกดไปห้ามความอารมณ์เผลอเมื่อไหร่ก็โผล่ขึ้นมาอารมณ์กดขม่มอารมณ์ที่โกรธที่กดข่มมาไว้นะมันก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเผลอเมื่มอไหร่มันก็ระเบิดออกมาสิ่งที่หลายคนเรียกว่ามันเกิดอาการปรี๊ดขึ้นมาเนี่ย อาการปรีดเนี่ยนะมันไม่ใช่อะไรอื่นนะมันเกิดจากการที่ไปสักสะสมหมักหมมนะความโกรธเอาไว้คนเราจะปรีดเนี่ยเพราะว่ามันเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้นานคนที่พอมีแล้วไม่ถูกใจก็โวยไปว่าไปเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดอาการปรีดเท่าไหร่นายพวกที่เกิด อ, อาการปรีดเนี่ยคือการที่มันเก็บเอาไว้นาน ๆ, ๆ, ๆ, ๆคนที่ไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยมีปากมีเสียง ใ, ใครเนี่ยก็จะเก็บนะ หรือกดอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจไว้มันไม่แสดงออกมาก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วมันก็หมักหมมสะสมไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอมีใครมาพูดไม่ถูกใจแม้เพียงเล็กน้อยนะมันก็มือลูกโป่งนะเจอแค่เข็มเล็กๆเนี่ยเป็นรูเล็กๆแต่มันก็สามารถจะแตกดังเลย ลูกโป่งเนี่ยนะเวลามันแตกมันไม่ต้องใช้อะไรมากเลยใช้แค่เข็มเล็กๆเนี่ยนะมันก็ทําให้ระเบิดออกมาได้ไม่ต้องเข็มก็ได้เอาแค่อใบไมนะ้หรือว่าหญ้าเนี่ยต้นหญ้าที่แหลมๆหน่อยจิ้มเข้าไปมันก็แตกแล้วเนี่ยเอาลมปรี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละคือมันเกิดจากการที่สเก็บสะสมหรือว่ากดขม่มความโกรธเอาไว้นานๆ ในเมื่อตามอารมณ์โกรธทําตามอารมณ์โกรธก็ไม่ถูกนะกดข่มมันก็ไม่ช่วยเท่าไหร่นะมันมีทางที่สามหรือทางสายกลางคือการที่มีสติรู้ทันมันเห็นมันนะสติเนี่ยมันช่วยดึงจิตออกมาจากกระแสอารมณ์นะมันเหมือนกับสะพานก็ได้ที่จริงพระเจ้าเปรี่ยบเหมือนกับว่าเป็นหอคอย คนที่มีสตกิก็เหมือนกับคนที่อยู่บนหอคอยแล้วก็มองลงมาเห็นกระแส น, น้ำที่ไหลผ่านหน้าหรือจะเปรียนมันก็ว่ายืนอยู่บนตะหลงก็ได้นะยืนอยู่บนตะหลงแล้วก็ดูน้ามันพัดพาไหลไปสิ่งที่ไหลไปตามน้ำเนี่ยอาจจะมีทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบนะอาจจะมีเรือสำรานแล่นผ่านมาก็าแค่ดูมันเฉย อาจจะมีหมาเนาลอยน้ํามาหรือเศษกอสวะลอยมาก็ดูมันเฉยๆนะแต่ว่าถ้าม่มีสตินะมันก็อดไม่ได้ที่จะโจรลงไปลงไปในน้ําเพื่อจะขึ้นเรือสํารานนะอยากจะไปสนุกกับเขานะหรือไม่ก็พยายามที่จะหาอะไรมาดึงมาค้ามาถอมาเพื่อไม่ให้ไอหมาเนาเนี่ยมันอ่เข้ามา พยายาม่จะกันสกอร์สว่าออกไปไกลๆการปฏิบัติการจุลสติเนี่ยนะมันก็มีหลัก่ว่าเพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะแต่ใหม่ๆมันยากนะเพราะว่านิสัยเดิมเนี่ยหรือความเคยชินนำเดิมเนี่ยนะมันสะสมมานาน นิสัยดเดิมคือ น, นิสัยคือนิสัยที่ปล่อยไปตามความคิดปล่อยไปตามอารมณ์สร้างจังหวะนะก็รู้ตัวประเดี๋ยวเดียวไปแล้วนะเพราะว่าเรามักจะปล่อยใจลอยจนเป็นนิสัยนะหลายคนจะรู้สึก ง, งุนงงกับตัวเองเพราะว่าจะให้ใจกลับมาอยู่กับตัวให้มารู้สึกตัวว่ากำลังยกมือว่ากาลังเดินจงกรม ว่ากำลังอาบน้ำว่ากาลังถูฟันนะมันไม่ยอมมันก็จะไปนะไปตามความคิดไปตามอารมณ์ซึ่งเรียกลมๆว่าหลงนะหลงเข้าไปในความคิดหลงเข้าไปในอารมณ์การที่จะมารู้ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยมากก็อย่าไปงดหิดจะไปท้อแท้นะเพราะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลา มันเหมือนกับว่าน้าเนี่ยนะมันมันก็มักจะไหลไปตามร่องเดิมตอนนี้เราพยายามสร้างร่องใหม่เรากำลังเปลี่ยนทางน้าจากหลงไปสู่รู้นะแต่ทางน้าที่มันไปสู่ความหลงเนี่ยมันเป็นมันเป็นน้ำมันเป็นทางสายใหญนะ่ที่มันเกิดขึ้นมานานนะน้าที่ ปล่ยไหลไปนานๆเนี่ยมันจะกัดซอสตะลึงจนกรทั่งกลายเป็นคลองหรือบางทีกลายเป็นแม่น้ําไปแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะที่เราจะสร้างทางน้ําใหม่ทางน้ําใหม่แต่ก่อนใหม่ใหม่ก็ต้องมันก็เป็นทางเล็กๆน้ำก็ยังไม่ยอมไหลไปทางใหม่มันก็ไปทางเก่าเพราะทางเก่าเนี่มันลึกแล้วมันใหญ่กว่าอันนี้ธรรมดาใจเราก็เหมือนกันนะ มันก็จะไหลไปตามร่องร่องเดิมร่องเก่าร่องความคิดร่องจิตนะแต่ว่าการจลศริติเนี่ยมันก็คือการสร้างร่องใหม่ทีแรกจะเป็นร่องเล็กๆแต่ว่าเราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆร่องมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้ น, นแล้วก็ลึกขึ้นแล้วก็เริ่มมี น, น้ำเนี่ยเข้าไปสู่ร่องใหม่ นานนี่ก็ช่วยทําให้ร่องใหม่เนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะถ้าเราทำไม่หยุดนะพยายามขุดพยายามสร้างร่องใหม่อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยร่องใหม่มันก็จะใหญ่กว่าร่องเก่าและน้ําก็จะไหลไปสู่ร่องใหม่แทนร่องเก่ามันยังคงไหลไปยังร่องเก่าอยู่นะแต่ว่าน้ําส่วนใหญ่ก็จะไหลไปทางร่องใหม่ร่องใหม่คือร่องที่รู้ตัวรู้รู้รู้นะ ยกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันก็จะรู้เป็นส่วนใหญ่เดินยองกลมก็จะรู้เป็นส่วนใหญ่มันจะหลงบ้างนะแต่ว่าหลงได้แม่นานก็กลับมารู้นะมันเป็นไปได้นะถ้าเราทํำบ่อยๆเนี่ยจะเกิดความเคยชินใหม่แล้วความเคยชินใหม่มันจะมาทดแทนความเคยชินเก่าเหมือนกับร่องน้ําใหม่ที่มันมาแทนร่องน้ําเก่าเอาพวกเราหลายคนที่อยู่กรุงเทพนะก็อาจจะไม่รู้นะว่าไอแม่น้าเจ้าพระยาที่มันอยู่หน้าธรรมศาสตร์เนี่ย แต่ก่อนมันเป็นแค่คลองนะแน่น้ำเจ้าพยาสายเดิมเนี่ยมันไม่ใช่ไหลไปทางนั้นนะมันไปทางคลองมะกอกน้อยนะมันเป็นคุ้งนะแล้วก็พระเจ้าเป็นดินสมัยอิทธิยาท่านเห็นว่ามันมันมันมันอ้อมมากไปก็เลยตัดคลองลัดคลองลัดที่เชื่อมระหว่างคุ้งสองคุ้งนะที่แรกก็เป็นคลองเล็กๆนะแต่ต่อหลงกลายเป็นคลองใหญ่จนเดนนี้เราเห็นเป็นแม่น้ําไปแล้ว ส่วนแม่น้าสายเดิมเนี่ยกลายเป็นคลองไปแล้วนะคลองบาะกอกน้อยเลยนเล็กมากเลยเนี่ยไอการจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นได้นะก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะมันเป็นจิตที่ไหลไปสู่ความหลงมีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็พัดเข้าไปสู่ความหลงมีความคิดใดเกิดขึ้นมันก็พัดเข้าไปนะสู่ความหลงไม่รู้เน้รู้ตัวใจลอย หลแปรดีดบ้างลอยแปรนาคตบ้างนะแต่ต่อมาน ะ, อะพอเราปฏิบัติบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆนี่ออมันจะรู้มันจะรู้มากขึ้นรู้บ่อยขึ้นหลวงพว่ออมคำเขียนเขาใช้คำว่ามันมีน้ำหนักนะความตัวรู้มันจะมีน้ำหนักมากขึ้นมันก็จะดึงจิตไปนะไปสู่การรู้อยู่อย่างต่อเนื่องรู้อะไรนะก็รู้ตัวรู้ว่า กำลังทำอะไรอยู่นะรู้ว่ามือกาลังยกเท้ากาลังเดินรู้ว่ากาลังกินรู้ว่ากาลังอาบน้ำรู้ว่ากาลังถูฟันรู้อย่างนี้มันสำคัญอย่างไรนะมันสำคัญก็เพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยมีสตินะเร็วขึ้นไวขึ้นจนกระทั่งไปรู้ทันอารมณ์ไอ้รู้กายเนี่ยมันมันยังหยาบอยู่นะแต่ก็มีประโยชน์เยอะนะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้กายเนี่ยนะ วางของอะไรไว้ก็ไม่รู้ว่าวางไว้ที่ไหนวางมั่วหมดเพราะตอนที่วางเนี่ยใจมันลอยหลายคนเสียเวลาเพราะ ก, การตามหาของทุกวันหากุญแจหาโทรศัพท์นะหากระเป๋านะเพราะตอนวางเนี่ยไม่ได้วางด้วยความรู้ตัวหรือว่าเวลาอ่เวลาจะเสียบปลั๊กไฟฟ้าเนี่ยนะนะถ้าไม่รู้ตัวระหว่างที่เสียบนี่ นะก็อาจจะเกิดอันตรายได้เวลาลงบันไดถ้าไม่รู้ตัวว่ากาลังเดินนะก็อาจจะตกบันดไดได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างเนึ่งการรู้ตัวนะคือส่วนที่รู้กายแต่ว่าประโยชน์อีกอย่างนึงคือมันทำให้รู้ใจได้ไวรู้ใจคือรู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นหรือว่าตอนนีนะ้กำลังหงุดหงิดนะแล้วก็เริ่มจะโกรธละ รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเศร้าแล้วนะรู้วตอนนี้นะกําลังใจรลอยแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยคิดไปจบเรื่องถึงรู้ตัวหรือไม่ใช่แค่จบเรื่องเดียวคิดไปจบสามเรื่องถึงค่อยมารู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่นะแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไม่ทันจะจบเรื่องแล้วก็รู้แล้วนะแล้วต่อมาพอเผลอคิดไปได้นะสักสองสามวินาทีก็รู้แล้ว ก็ทำให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันทำให้จิตเรามีสมาธิกับสิ่งที่เราทำแล้วก็ทำให้ใจเราไม่ไปจมอยู่กับประสบการณ์ในเจบปวดในอดีตนะที่ทำให้เศร้าหรือว่าไประ ล, ลึกถึงคำต่อว่าด่าทอของใครบางคนที่ทำให้โกรธแค้นหรือมัวแต่ไปนึกถึงเงินที่ถูกโกงนะของที่ทำหาย แล้วก็เอาแต่อะไรอาวรณ์เสดายหรือไปนึกถึงแต่คนที่จากไปไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้แล้วคนส่วนใหญ่ถ้าไม่หลายไปอดีตก็ลอยไปนาคไปนึกถึงงานที่ยังคาอยู่นึกถึงหนี้สินที่ยังไม่ชำระนึกถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะกับสุขภาพของตัวไปตรวจสุขภาพหมอนัด อีกสามวันมาฟังผลเอาละนะอยู่ไม่เป็นสุขล้วใจมันจะคิดถึงแต่ว่าสามวันข้างหน้าไปหาหมอนหมอจะบอกอะไรเราหมอจะพูดอะไรกับเราหลายคนบอกเลยนะว่าสามวันที่รอฟังผลนี่มันเหมือนกับนรกเลยมันก็ตกนรกพอคิดไปแล้วว่าตัวเองอาจจะเป็นมะเร็งแต่พอถึงวันนั้นหมอบอกไม่เป็นอะไรโอ้ใจสบายแล้วก็มานึกดาววันเนี้ยเราตกนรกไปสามวนนันทั้งที่ มันไม่มีอะไรเลยนะแต่ตกนรกไปแล้วสามวันนะเพราะกลัวเพราะวิตกเพราะกังวลว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นเอชไหมเรียกว่าทุกฟรีฟรีนะหลายคนเจ็บตัวฟรีๆรีทุกฟรฟรีเพราะชอบคิดข้ามชอ็อตที่จริงพูดถูกคือปล่อยใจไปตามความคิดไปตามอารมณ์ถ้าเราปล่อยถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเราจะกลายเป็นธาตุอารมณ์เป็นธาตุความคิด แล้วก็ปล่อยให้มันเล่นงานเราคนเราควรจะเป็นนายความคิดนะไม่ใช่เป็นทาสของความคิดควรจะเป็นนายของอารมณ์ไม่ใช่เป็นทาสของอารมณ์อารมณ์มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะความคิดก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้มันเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถูกมันใช้มากกว่าความคิดมันใช้เรามันใช้ให้เราคิดคิดคิดคิดคิดถึงเวลานอนแล้วมันก็ยังใช้ให้เราคิดต่อเราเลยนอนไม่หลับนะแล้วสุขภาพเราก็แย่ บางอย่างมัน ย, มยังไม่ถึงเวลาคิดนะเราก็คิดคิดคิดแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็โกรธสะสมนานๆก็ความดันขึ้นโรคที่เกิดจากความวิตกกังวลจากความเครียดนี่ตอนนี้มันเป็นโรคเป็นปัญหาของคนสมัยนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคนสมัยนี้บุหรี่นี่เขาว่าอันตรายแล้วนะเล่านี้ก็ถือว่าอันตรายแล้วนะทาให้คนตายจานวนไม่น้อยแต่หมอเขาบอกว่า ความเครียดนี่น่ากลัวกว่ามันเป็นสาเหตุการตายมากกว่าเล่าและบุหรี่ซิกทุกวันนี้ก็มีหลนลงนะงดกินเหล้านะงดสูบบุหรี่แต่ที่หล่นลงไม่สำเร็จหรือว่าไม่คิดจะหลนลงคืองดเครียดนะเพราะว่ามันทำได้ยากเพราะแม้แต่คนที่หล่นลงเรื่องบุหรี่คนที่หลนลงเรื่องเหล้ายัางเครียดเลยนั่นที่บอกว่า ใจเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดเนี่ยไม่ใช่สิงสารสัตว์ไม่ใช่ผีสางอะไรที่ไหนเนี่ยก็เพราะว่านะมันเป็นมันสามารถทำให้เราเนี่ยตายก่อนวัยอันควรได้ตายตายเร็วได้นะด้วยโรคนาน า, นานชนิดแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันความคิดเนี่ยนะ เ, ออเราจะกลับดึงจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันพาจิตออกจากกระแสะอารมณ์ นะที่เชี่ยวกรากและที่จริงถ้าเรามีสติมากพอนะกระแสอารมณ์กระแสความคิดมันจะไม่เชี่ยวกรายต่อไปนะมันจะไหลเอื่อยเหมือนกับว่าน้ําเนี่ยที่เคยไหลเชี่ยวเนี่ยมันโดนเขื่อนขวางกั้นเอาไว้หลวงพ่อเขียนท์นเปรียบไอความรู้สึกตัวเนี่ยนะซึ่งก็สัมพันธ์กับสตินะว่าเป็นเหมือนกับเขื่อนนะที่คอยกั้นนะ กั้นอารมณ์นะกั้นความทุกข์ฉะนั้นพอถ้าเรามีเขื่อนนะไอ้น้ำที่เคยเชี่ยวที่เคยพัดเรานะไหลไปจนันตกอยู่ในอันตรายก็หมดปัญหาไปก็จะปลอดภัยจิตใจก็สบายร่างกายก็สุขภาพดีนะแล้วก็เพราะนั้นเนี่ยให้หมันนะหมั่นพยายามสร้างความเคยชินใหม่ขึ้นมาให้นิสัยใหม่ความเคยชินใหม่มันมาแทนของเก่า สร้างร่องของจิตนะให้มันามาทดแทนร่องเดิมนะที่มันพาเหมือนมีแต่จะพาเราไปสู่ความหลงสู่ความทุกข์สู่อันตรายไอ้ลองใหม่เนี่ยมันอยู่ในวิสัยที่เราจะสร้างได้นะถ้าเรามีความเพียรคำนิยบพุท่นนี้นะกราบครบ